ในโลกนี้มีความสุขอยู่สองชนิดสองแบบด้วยกันคือความสุขแท้และความสุขปลอมความสุขปลอมเป็นอย่างไรความสุขปลอมก็คือความสุขที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอง อันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยง ม, มีเกิดแล้วก็มีดับพอความสุขเกิดก็เกิดความสุขขึ้นมาพอความสุขดับก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไป เวลาได้มาก็ดีใจว่าเสียไปก็ทุกข์ใจเสียใจอะไรที่เป็นความสุขปลอมก็คือความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่เองเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนอันนี้จัง บางทีก็มาบางทีก็ไปบางทีเจริญบางทีก็เสื่อมเวลาเจริญก็สุขใจดีใจเวลาเสื่อมก็ทุกข์ใจเสียใจถ้าหาความสุขจากลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นโนดพุทธะก็จะต้องเจอความทุกข์ ไม่ช้าก็เร็วยกตัวอย่างตอนนี้เกิดโลกระบาดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหยุดชะงักสถานที่ประกอบการต่างๆเริ่มปลดคนงานออกจากงานพอไม่มีงานทำเงินเดือนก็ไม่มี เ, เงินก็คือราบ ลาบที่เคยเจริญเคยมาอยู่ทุกเดือนก็กลายเป็นลาบที่เสื่อมไปเงินเดือนก็ไม่มาไม่มีเงินเดือนพอไม่มีเงินเดือนก็ไม่มีเงินไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปไม่ได้จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มตามสถานที่ต่างๆ ก็ไปไม่ได้เวลานั้นความทุกข์ก็เข้ามานี่แล้ะเรียกว่าความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีวันที่จะต้องหมดไปพอเวลาสูญเสียความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงเขล็ดลอดต่างๆความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่คอยดูคนจะฆ่าตัวตายกันมากกนเพราเมื่ออยู่แล้วไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ก็มาเกิดเพื่อมาหาความสุขกัน พอไม่สามารถหาความสุขได้ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็จะคิดฆ่าตัวตายกันนี่แหละคือความสุขปลอมความสุขที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลามันเสื่อมเวลามันหมดความสุขที่ไม่อยู่กับเราไปตลอดเป็นของเรา ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปถ้าตราบใดเรายังหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่รสต่างๆอยู่เราก็จะต้องหนีไม่พ้นจากความทุกข์กันไม่ช้าก็เร็วความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะตามมา ถ้าเสื่อมราบความทุกข์ที่เกิดจากการเสื่อมราบก็ตามมาถ้าเสื่อมยศความทุกข์ที่เกิดจากการเสื่อมยศก็ตามมาเคยเป็นใหญ่เป็นโตพอถูกเขาปลดออกจากตําแหน่งเวลาเป็นนายกไม่มีลูกน้องมากมายพอพ้นจากตําแหน่งไปไม่ได้เป็นนายกไม่มีใครมารับใช้นะ ไม่มีใครมาคอยออรับคำสั่งคอยหาความสุขชนิดต่างๆให้ เ, เวลาสูญเสียคนที่คอยยกย่องสรรเสริญกลับมาเจอคนที่จะคอยด่าคอยว่าออคอยตำหนินี่คือเสื่อมเสื่อมยศเสื่อมตำแหน่งเสื่อมสรรเสริญ ถ้าเป็นใหญ่เป็นโตถ้าร่ำให้รวยนี่คนจะยกย่องสรรเสริญมอบรางวัลต่างๆให้รางวัลโล่ทองคํารางวัลอะไรต่างๆแต่พอไม่มีตําแหน่งไม่มียศไม่มีเงินไม่มีใครเขาจะมาสรรเสริญนะดีไม่ดีจะถูกเขาดา่าถูกเขาตำหนิตีเตียนเขาละหานินิงทา เวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ตาหูจมูกเล่นกายเสือ่อมก็จะไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ฉะเห็นไม่ว่าใครก็ตามจะหนีไม่พ้นความเสื่อมเหล่านี้ถ้าไม่เสื่อมราบอาจจะเป็นเศรษฐีไปจนวันตาย ถ้าไม่เสื่อมไม่เสื่อมยศเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปจนวันตายไม่เสื่อมสัตละเสริญก็ต้องมาเสื่อมตาหูจมูกลิ้นกายเพราะร่างกายที่ใช้เสพราบยศสัตละเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑมันก็เป็นอนิจจงเหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นขอทานหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เหมือนกันเป็นเหมือนกันเป็นอนิจจังเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันพอร่างกายเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นใครก็จะไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทปัได้ดังนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครหนีไม่พ้นจากความทุกข์เศรษฐี อันดับหนึ่งของโลกก็ต้องเจอความทุกข์เพราะเดี๋ยวร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระเจ้าแผ่นดินทุกป ร, ประเทศก็เหมือนกันพระมหาจากักรพรรดิก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครหนีพ้นเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายไปได้ พอเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายความสุขที่ได้จากล่ามยศสารเสริญจากรูปเสียงกิเลสลก็เสพไม่ได้มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินไปเที่ยวที่ไหนไม่มีแรงไปเที่ยวจะให้ไปทำอะไร <c oughs> <c oughs> ก็ทำไม่ไหวไปดูอะไรก็ตามหมวัวมองไม่เห็นจะฟังอะไรหูก็หนวกฟังไม่ได้ยิน นั้นไม่ว่าจะมีอะไรวิเศษมากนายขนาดไหนพอร่างกายมันเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายแล้วไม่มีใครจะหาความสุขกันได้นี่แหละพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าเป็นความสุขกลอมเป็นความสุขที่สัตว์โลกส่วนใหญ่หากันเพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่เห็นความเสื่อม ไม่เห็นอ น, นิจจงของความสุขของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คิดว่าจะสามารถมีมันนเสพกันไปได้เรื่อยๆแต่พอเจอกับการเสื่อมเจอกับการสูญเสียก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ฆ่าตัวตายกันนี่คือดีไม่ดีก่อนจะฆ่าตัวตายก็ไปค่า คนอื่นก่อนกลัวคนอื่นเขาขาดแล้วแล้วเขาจะลาบากก็เลยฆ่าเขาด้วยฉันครอบครัวพอหัวหน้าครอบครัวไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวได้หัวหน้าครอบครัวก็อยากจะฆ่าตัวตายก่อนจะฆ่าตัวตายก็ไม่อยากจะทิ้งสมาชิกให้อยู่ แบบทุกข์ทรมานเพราะไม่มีหัวหน้าคอยหาความสุขให้ก็เลยต้องฆ่า บ, บริวารสมาชิกครอบครัวฆ่าลูกฆ่าเมียไปด้วยแล้วก็ฆ่าตัวเองไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นความคิดของคนที่ไม่มีปัญญาที่ไม่รู้เรื่องราวของตนเองว่าตนเองเป็นอะไร และวิธีที่จะหาความสุขที่ปลอดภัยนั้นหาอย่างไรจะไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถเข้าถึงรู้จักความสุขที่แท้จริงได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นคนสอนมาเป็นคนบอกเพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้ทรงค้นพบความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นอนิจจังก็คือเป็นนิจจังนั่นเองอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงนิจจังก็แปลว่าเที่ยงสุขขังก็แปลว่าสุขไม่ใช่ทุกเนี่ยอัตตาก็เป็นของเราเป็นตัวก็เป็นของเราเนี่ยมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่นิจจังสุขขังอัตตา ที่จะไม่มีวันเสื่อมที่จะไม่มีวันกายเป็นความทุกข์ที่จะไม่มีวันที่จะจากเราไปมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่ส่งค้นพบเมื่อก่อนที่จะคบพบความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาพระพุทธเจ้าก็อยู่กับความสุขที่เป็นนิจจังทุก ข, ขังอนตตา อุเจ้าก็เป็นลูกของกษัตริย์เป็นพระราชาโอรสหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมีปภาษาสามือดิวไว้คอยเปลี่ยนที่ตรงนี้ร้อนก็ย้ายไปอยู่อีกประสาทหนึ่งที่เย็นพอไปเจอฝนก็ย้ายไปอีกประสาทหนึ่งที่แห้งมีสามารถหลีเกเลี่ยงความทุกข์ต่างๆ ได้สามารถที่จะปรับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้มันเที่ยงได้พอตรงนี้ร้อนก็ย้ายไปอยู่ที่ให้มันที่เย็นพอที่เย็นมีฝนเปียกแฉก็ย้ายไปอีกที่ที่มันแห้งสามารถปรับได้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านปรับไม่ได้ก็คือร่างกายของท่านร่างกายของท่านนี้ ปัให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เนี่ยพอท่านทราบว่าอนาคตของร่างกายของท่านจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็เห็นอนิจจังทันทีเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีในความสุขที่ท่านหาอยู่ความสุขที่ได้จากลาบยศสระเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอร่างกายกเป็นอนิจจัง พอร่างกายมันแก่มันเจ็บมันจะตายทีนี้ลาบยศเจรเสริและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปเสพมันไดเน้เมื่อทรงเห็นอนาคตที่จะต้องเป็นความทุกข์พระองค์ก็เลยหาทางออกดีกว่าหาทางใหม่ หาทางที่พวกนักบวชทั้งหลายก็หากันคือหาความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตานี้ต้องหาด้วยการสละการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผทถภาไปเพราะไม่สามารถที่จะหาความสุขทั้งสองรูปแบบนี้ ให้อยู่ที่เดียวกันได้เหมือนกับถ้าอยากจะกินน้ำชาก็ต้องอกินน้ำชาอย่างเดียวถ้าอยากจะกินกาแฟก็ต้องเทน้ำชาออกไปแล้วก็เทกาแฟใส่เข้าไปเพราะที่ใส่น้ำชาหรือกาแฟมีถ้วยเดียวใจที่เสพความสุขก็มีใจเดียวใจที่เสพความสุขปลอม กับความสุขแท้ก็เป็นใจอันเดียวกันถ้าอยากจะเสพความสุขแท้ก็ต้องเลิกเสพความสุขปลอมถ้าอยากจะเสพความสุขปลอมก็ต้องไม่หาความสุขแท้เพราะความสุขทั้งสองแบบนี้อยู่ที่เดียวกันไม่ได้เป็นเหมือนน้ำร้อนกับน้ำเย็นจะกินกาแฟเย็นแต่ก็อยากจะกินกาแฟร้อนด้วย าเทไปในแก้วเดียวกันมันก็ไม่ร้อนไม่เย็นความสุขแท้กับความสุขความนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้พระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เลยต้องสละความสุขรวอมไปสเสด็จออกจากราชวังสละราชสมบัติสละความสุขจากราชยศ ส, สรเซินจากรูปเสียงกลิ่นรสของเจ้าชายสิทธัตถะไป แล้วก็ไปหาความสุขของสมณะโคโดมเจ้าชายเศรษฐามีนามสกุลว่าโคโดมโคตมะครอบครัวสกุลมีชื่อว่าโกตมะภาหลังเขาจะเรียกว่ า, Buddha าบุฎาโกตมะโกตมะบุฎาคือคนไทยอ่านโกตมะมาเป็นโคโดมเพราะคนไทยชอบอ่านสั้นๆ ด อ, ดอต่าก็เปลี่ยนเป็นดอเด็กมอมะแทนที่จะเป็นโคตมะก็เป็นโคดมไปได้มาจากคำว่าโคตมะพอไปบวชก็เรียกตนเองว่าเป็นสมมณะโคตมะสมมณะโคดมแล้วก็ไปศึกษาหาความสุขที่แท้จริงจากครูบาอาจารย์ต่างๆซึ่งในสมัยนั้น ก็สามารถหาความสุขที่แท้จริงได้แต่เป็นรูปแบบชั่วคราวยังไม่ได้เป็นรูปแบบที่ถาวรหาได้ด้วยการทำใจให้สงบเข้าฌานเข้าสมาธิไปพอจิตสงบจิตเป็นฌานขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความสงบก็โผลขึ้นมาแต่อยู่ในฌานได้ไม่นาน ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องออกมาดูแลร่างกายเพราะร่างกายก็ต้องกินต้องดื่มต้องขับถ่ายต้องมีการชำระทำความสะอาดื อ, อดสีสมัยก่อนที่เก่งทางสมาธินี่ได้ได้ยินว่าเข้าฌานได้เที่ยวเจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างหรือนเดือนหนึ่งบ้างแต่ อยู่ได้ไม่เกินเวลานั้นอยู่ตลอดไปไม่ได้เพราะร่างกายจะต้องกระตุ้นให้จิตเด้งออกมาเดี๋ยวมันปวดฉี่เต็มที่ปวดอะไรเต็ม ท, ที่มันก็เหมือนคนนอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับถ้าปวดฉี่อยู่ดีๆเดี๋ยวมันก็ต้องตื่นขึ้นมาเนี่ยอาการปวดมันจะไปกระตุ้นจิตที่นอนหลับเนี่ยให้รับรู้ถึงอาการเจ็บปวดของทางร่างกาย พอจิตรับรู้ปั๊บจิตก็ต้องรีบลุกขึ้นมาบรรเทาอาการเจ็บปวดของร่างกายโดยการเข้าห้องน้ําหิวน้ําก็ดื่มน้ําหิวอาหารก็หาอาหารมารับประทานฉะนั้นนักบวชสมัยนั้นสมัยที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงค้นพบความสุขแบบฐาวนวรนี่ยังต้อง มีแต่ความสุขหาหาได้แต่ความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่ต่างจากความสุขปลอมคือเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายก็ยังสามารถมีความสุขได้ จากการเข้าสมาธิเข้าฌานเนี่ยคนที่เข้าสมาธิได้เข้าฌานได้เวลานางกายแก่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ถ้าอยากจะมีความสุขก็เข้าไปในสมาธิเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าไปในสมาธิได้เวลาจะตายก็เข้าไปในสมาธิได้ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องมา รับรู้กับความเจ็บความแก่ความตายของร่างกายยังสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บหรือจะตายหรือไม่ก็ตามนี่คือความสุขที่แท้จริงที่ในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงไปบวชนั้นยังไม่มีใครรู้ความสุขที่แท้จริงแบบถาววร รู้แต่ความสุขที่เป็นแบบชั่วคราวแต่ก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องร่ำต้องรวยไม่ต้องไม่ต้องมีคนมาคอยยกย่องสรรเสริญเยินยอ ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในรูปแบบของมหรสพบันเทิงในรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในรูปแบบอาหารการกินเครื่องดื่มต่างๆไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขด้วยเพียงแต่รู้จักวิธีทำใจให้สงบเท่านั้นพอใจสงบก็จะได้ความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญเ mm hmm. พราะเป็นความสุขที่ไม่มีใครจะดึงไปได้จะแยกไปได้ถึงแม้จะเป็นความสุขที่ยังเป็นชั่วขราวก็สามารถเรียกึืนมาได้ทุกครั้งที่ต้องการ mm hmm. เวลาออกจากสมาธิมาพอความสุขนั้นหายไปก็กลับเข้าสมาธิใหม่ได้ ยังสามารถหาความสุขเหล่านี้ได้อย่างไม่มีอุปสรรคออกมาก็เพื่อมาทําหน้าที่กับร่างกายมาหาอาหารให้ร่างกายกินมาขับมาถ่ายมาทําอะไรให้ร่างกายพอทําเสร็จก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ได้นี่แหละเป็นความสุขที่ไร้ความทุกข์หรือถ้ามีความทุกข์ก็น้อยมากและ สามารถที่จะจัดการกับความทุกข์ได้เพราะสามารถกลับเข้าไปในความสงบได้ออกมาเพื่อทําหน้าที่ดูแลร่างกายชั่วคราวพอเสร็จภารกิจนะดูแลร่างกายแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ได้อกลับเข้าไปสงบอีกเจ็ดวันก็ได้สําหรับคนที่มีสมาธิที่แก่กล้า เข้าฌานได้ทีเจ็ดวันสิบวันเดือนหนึ่งอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องของราบยศสรรเสริญไม่ต้องวุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายเ <c oughs> <c oughs> พราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นอุปสรรค ไม่มีราบยศสรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการหาความสุขจากการทําใจให้สงบสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือความเกลียดค้านความเสียดายในความสุขปลอมนั่นเองยังเสียดายความสุขปลอมอยู่ยังติดอยู่กับความสุขปลอมอยู่ ยังทิ้งความสุขปลอมไปไม่ได้ทิ้งไปได้ก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวไปหาที่สงบปฏิบัติได้สักสามวันห้าวันก็คิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องกลับไปหาแฟนหาลูกหาทรัพย์สมบัติหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นลดอยากงานกินการดื่มอยากการดูการฟังใหม่ แล้วพอเจอความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นลดจากความจากลาบยศสรรเสริญก็หนีไปอยู่คนเดียวใหม่ไปอยู่หาความสุขจากความสงบใหม่ชั่วคราวเดี๋ยวพอคิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงความสุขจากลาบยศสรรเสริญก็วิ่งกลับไปใหม่กลับไปหามันใหม่นี่คืออุปสรรค ของผู้ที่จะไปหาความสุขแบบถาวนคือยังมีความลักพี่เสียดายน้องอยู่ความสุขจากความสงบก็อยากจะได้แต่ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยศจระเซนจากครอบครุษจากแฟนจากสามีภรรยาก็ยังอยากจะได้อยู่ยังเสียดายอยู่ ย, ยังตัดไม่ขาดเลยกลายเป็น เหยียบเรือสองแคมไปจะไปลำนี <tacos> er, a a ้ก็ไปไม่ได er, ้จะไปลำนั้นก็ไปไม่ได้เพราะมันเหยียบอยู่สองลำด้วยกันนี่คืออุปสรรคที่ทำให้ผู้ที่ผู้ที่ยังติดอยู่กับความสุขที่เป็นความสุขความนี้ไปหาความสุขแท้ไม่ได้ ผู้ที่ไปหาความสุขแท้แลท้ได้นี้ต้องเป็นผู้ที่มีใจที่เด็ดขาดที่ตัดสินใจตัดขาดความสุขความเลยเพราะมีปัญญาคอยเตือนคอยสอนใจว่าความสุขความนี้เดี๋ยวมันต้องกลายเป็นความทุกข์แลเพราะความแก่ความเจ็บความตายนี้มันกระยับเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวพอแก่แล้วทีนี้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทีนี้ ความสุขความนี้ก็หาไม่ได้เนี่ยถ้ามีปัญญาคอยสอนใจเตือนใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเราหมันพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆหมันพิจารณาการพัดพ่าจากกันอยู่เรื่อยๆเพราะมันจะทำให้กระตุ้นจิตใจให้รีบสละความสุขปลอมไปเสีย เพราะต่อไปจะไม่สามารถเสพความสุขความได้เวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายจะตายเวลาที่สูญเสียสิ่งที่ที่ให้ความสุขกับตนเนี่ยก็จะมีแต่ความทุกข์ตามมานี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาแก้อุปสรรค ของผู้ที่อยากจะไปหาความสุขที่แท้จริงต้องพยายามแล้วนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเราเลิกถึงการพัดพากจากกันอยู่เรื่อยๆจนไม่ลืมนะถ้าไม่ลืมแนละ้วทีนี้มันจะไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะหาความสุขามาอีกแล้วพอรู้ว่าเดี๋ยวก็หาไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวพอร่างกายแก่พอร่างกายเจ็บพอร่างกายตาย หรือพอสิ่งที่เรารักเราชอบจากเราไปเราก็จะเจอแต่ความทุกข์ถ้าไม่มันพิจารณามันจะลืมมันจะคิดว่าจะไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่ตายจะไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไปต้องรอให้มันเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนแต่พอเกิดขึ้นมันก็สายเกินไปใี่แล้ว ไม่มีปัญญาไม่มีกำลังที่จะสู้กับความทุกข์ที่ตามมาได้ก็เลยต้องหนีด้วยการฆ่าตัวตายกันเนี่ยลองถ้าใครลองเก็บสถิติเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็ดูได้เลยว่าสถิติคนฆ่าตัวตายช่วงนี้จะพุ่งขึ้นนะช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยเมื่อวานนี้หุ้นลงพันจุดเนี่ยใน อเมริกาพันกว่าจุดเมืองไทยก็ลงไปห้าสิบหกสิบจุดวันนี้ไม่รู้จะลงองกีกหรือเปล่าลงเพราะอะไรเพราะคนรีบขายหุ้นกันเพราะรู้ว่าหุ้นที่ถือนี่ต่อไปจะเป็นหุ้นเน่าจะไม่มีผลกำไรจะมีแต่ขาดทุนราคาหุ้นจะตกตำ่ำตอนนี้รีบเอากำไรก่อน เพราะหุ้นมันขึ้นมานานแล้วตอนนี้รีบขายเทนี่เลยเทกันใหญ่หเทเพราะดูสภาพของเศรษฐกิจแล้วไม่น่าไว้ใจทุกอย่างมันพุ่งไปสู่การตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันสะดุดตามไปหมดคนไม่เที่ยว คนที่ทำงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจท่องเที่ยวก็ตกงานกันแล้วคนที่มารับสนับสนุนพวกที่ทำงานเศรษฐกิจท่องเที่ยวก็ตกกันพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารให้กับคนทำงานในการท่องเที่ยวก็ขายไม่ได้เพราะคนทำงานท่องเที่ยวไม่มีเงินเดือนใช่ไ้มเดี๋ยวโจรผู้ร้ายก็จะมีมากขึ้น พอไม่มีเงินไม่มีเงินหาซื้อความสุขอะไรต่างๆเดี๋ยวก็มีโจรผู้ร้ายมากขึ้นนี่แหละคือความสุขปลอมปเป็นอย่างนี้เวลาช่วงที่เศรษฐกิ จ, จเจร น, เนุ่งเหนื่อยนี่ทุกคนมีเงินใช้ก็เลยไม่มีการไม่มีอาชญากรรมไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายมีน้อยแต่พอเศรษฐกิจตกต่ำนี่เดี๋ยว ต้องมีโจรมีผู้ร้ายคนเช่าบ้านก็จะไม่ยอมจ่ายค่าเช่าบ้านเพราะไม่มีเงินจ่ายอนี่คือคนที่อาศัยรายได้จากค่าเช่าบ้านก็จะไม่มีเงินใช้ก็จะเดือดร้อนกันเป็นลูกโซ่ไปหมดนี่แหละเรียกว่าความสุขปลอมเป็นอย่างนี้ไม่คิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงเกินรดของร่างกายว่ามันมีเจริญได้มันก็มีเสื่อมได้มันไม่ใช่จะเจริญไปตลอดเวลาไปบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราสั่งให้หุ้นขึ้นทุกวันไม่ได้สั่งให้เงินเดือนขึ้นทุกปีไม่ได้สั่งให้รายได้เพิ่มขึ้นทุกปีไม่ได้ อาจจะสั่งได้เป็นช่วงๆช่ว ง, วงที่เศรษฐกิ จ, จเจริญก้าวหน้าก็กำหนดได้ปีนี้ต้องเพิ่มกำไรอีกสิบเปอร์ซนปีหน้าเพิ่มอีกส0เปอร์ซนต์กำหนดได้ถ้าเศรษฐกิจมันกำลังขึ้นแต่พอเศรษฐกิจมันสะดุดหกล้มเหมือนคนหล้มนี่ทีนี้มันก็ขึ้นไม่ได้ละมันมีแต่จะลงนะต้องคิดเรื่องราวล่านี้อยู่เรื่อย มันถึงจะได้รู้ว่าตอนนี้เรากําลังหาความสุขแท้หรือหาความสุขปลอมกันถ้ารู้ว่าเรากําลังหาความสุขปลอมกันก็จะได้รีบเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันถ้ารู้ว่าเรือที่เราอยู่มันกําลังจะจมเรายังจะอยู่ในเรือนั้นหรือเปล่ า, ามันจะจมเรามีเรือมาอีกลำหนึ่งขอเปลี่ยนเรือดีกว่า mm hmm. ไปอยู่เรือที่ไม่จมดีกว่า ยี่เรือที่เราอยู่นี้มันจะต้องจมเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลาภยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าหาความสุขจากลาภยศสารเสริญอย่าหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะกัน มาหาวิธีด้วยการทำใจให้สงบกันเพราะการทำใจให้สงบนี้ไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิน่นนสดไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้นกายการที่เราจะไปหาความสุขแท้ได้เราต้องเห็นว่าความสุขที่เราหากันอยู่นี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขแบบระเบิดเวลาเหมือนเดี๋ยว ถึงเวลามันก็จะระเบิดตูมตามขึ้นมาความสุขที่เคยให้ความสุขมันจะระเบิดมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่อยากจะเห็นผลของความทุกข์ของความสุขที่ต้องใช้ร่างกาย <c oughs> ก็ไปดูที่งานศพ <c oughs> ไปดูงานศพดูใครมีใครหัวะไหมมีใครเ ล, เลี้ยงฉลองกันไห มีแต่คนล้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันมีใครอยากตายไม่มีใครอยากตายแล้วมีใครห้ามความตายได้ไหมห้ามไม่ได้เมื่อห้ามความตายไม่ได้ก็ห้ามความทุกข์ไม่ได้เพราะความตายกับความทุกข์มันมาด้วยกันห้ามความแก่ไม่ได้ก็ห้ามความทุกข์ไม่ได้ห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ก็ห้ามความทุกข์ไม่ได้ ต่อให้มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายได้ห้ามความทุกข์ที่ตามมากับความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะไม่ทุกข์กับมันก็คืออย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปใช้มันอย่าไปอาศัยมันทาแบบพระพุทธเจ้าเนี่ย ราบุต่เจ้านี้ไม่รักพี่เสียดายน้องถึงแม้จะรักก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดพอได้ข่าวว่าพระเมหสีคลอดลูกท้ง น, นก็ล้อมขึ้นมาแล้วราหุนบ่วงเกิดขึ้นแล้วบ่วงที่จะมดใจของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะให้ติดอยู่กับความสุขปลอมต่อไปเพราะมีความหงหญยมีภาระผูกพัน ต่อลูกเป็นพ่อก็ต้องถือว่าต้องเลี้ยงลูกนี่ถ้าไม่อยากจะอยู่เลี้ยงลูกก็ต้องรีบหนีไปในคืนนั้นเลยไม่กล้าไปนมองหน้าลูกไม่กล้าไปเยี่ยมไปเซคุชบายหนีออกจากวังไปในคืนนั้นและไม่บอกใครด้วยเพราะรู้ว่าถ้าบอกก็ต้องถูกห้ามอย่างแน่นอน ก็เลยต้องไปแบบเงียบเงียไปในยามดึกไปกับคนรับใช้เพื่อไปส่งที่ชายแดนเพื่อที่จะเอาม้ากลับนั่นและต้องไปแบบนั้นคนที่ต้องการที่จะไปหาความสุขแท้นี่ต้องเป็นคนที่เด็ดขาดต้องพร้อมที่จะไปแต่ก่อนจะไปต้องเตรียมตัวก่อนไม่ใช่ยัง ยังหาความสุขไม่เป็นอย่าพึ่งไปเนต้องหัดไว้ก่อนเหมือนคนที่จะกระโดดจากเรือลงน้ำนี่ต้องไหวน้ำไม่เป็นก่อนถ้าไายน้ำไม่เป็นกระโดดจากเรือที่จะจมลงไปในน้ำก็จมด้วยกันแต่ถ้าไายน้ำเป็นแล้วพอเรือจะจมก็กระโดดน้ำลงน้ำไหวไปได้ไม่ต้องไปจมไปกับเรือผู้ที่จะออกไปหาความสุขแทนในเบื้องต้นก็ต้อง ไปฝึกไปซ้อมก่อนไปหัดหาความสุขก่อนเหมือนคนที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องไปหัดว่ายน้ำให้เป็นก่อนพอว่ายน้ำเป็นแล้วต่อไปไม่ต้องมีเรือก็ได้อยู่ในน้ำก็ว่ายได้เรือจมก็ไม่เดือดร้อนผู้ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากความสุขปลอมไปสู่ความสุขแท้ก็ต้องไปหัด สร้างความสุขแท้ขึ้นมาก่อนไปทําแบบชั่วคราวก่อนตอนต้นก็อาจจะไปแบบไปเช้าเย็นกลับนะบางคนมาฟังเทศที่นี่แล้วก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมเป็นการเจริญสติเพื่อฝึกให้หยุดคิดเพื่อทําใจให้สงบถึงแม้ว่าจะสงบไม่มากอย่างน้อยก็เริ่มต้นมีเชื้อของความสงบขึ้นมา เมื่อก่อนใ ห, ให้นั่งอยู่เฉยๆสักชั่วโมงสองชั่วโมงนี้นั่งไม่ได้แต่พอมานั่งฟังเทศฟังธรรมแล้วเริ่มมีกำลังที่จะนั่งเฉยๆได้นะมันเราต้องมาฝึกหัดก่อนทำแบบง่ายก่อนขั้นง่ายๆก็คือขั้นฟังเทศฟังธรรมขั้นต่อมาก็ขั้นสวดมนัน่งสวดมนไปสวดไปหลายๆ หลายหลายรอบเนี่ยท่านให้สวดอิติปิโสร้อยจบเนี่ยถ้าเริ่มต้นสวดไม่ได้ร้อยจบก็เอาสิบจบก่อนเป็นเหมือนหัดวิ่งมาราทอนเนี่ยก่อนใช่จะวิ่งมาราธอนได้ก็เอามินิมาราธอนก่อนแล้วค่อยขยับไปฮาร์ดมาราทอนแล้วก็ค่อยไปฟูลมาราทอนพอมันเริ่มวิ่งแล้วมันก็จะเริ่มมีกําลังเอง มีกำลังมีความอดทนที่จะวิ่งไปยาวๆไปไกลๆได้แต่ไม่มีใครพอเริ่มต้นก็จะวิ่งออกมาระ t นได้เลยนอกจากคนเก่งๆอย่างพระพุทธเจ้านั้นแต่พอตัดสินใจจะไปก็ไปเลยแต่สำหรับคนทั่วไปนี้ถ้าไม่มีกำลังขนาดนั้นก็ต้อง อ, อาศัยการฝึกผลอบรมไปก่อนเบื้องต้นก็อาจจะไปวัดไปเช้าเย็นกลับต่อไปก็อาจจะไปค้างคืนบางคนตอนเย็นก็มาที่วัดมาไหว้พระสวดมนต์มาฝึกนั่งสมาธิชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านไปนอนกับแฟนแต่เดี๋ยวต่อไปก็อาจจะอยู่ค้างคืนเลยมาถือศีลแปดอยู่สักคืนหนึ่ง มาไหว้พระสวดมนต์มาหยุดกิจกรรมทางความสุขหยุดหาความสุขแบบเก่าความสุขปลอมไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่หาความสุขจากการดื่มการรับประทานมากเกินไปให้ดื่มไม่รับประทานเพียงครึ่งวันก็พอเที่ยงวันก็พอหลังจากนั้นก็หัดอดทนเอาหาความสุขจากการ มาทำใจให้สงบด้วยการนั่งฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิต่อสลับทำกันไปจนถึงเวลาที่จะกลับบ้าน <c oughs> ต่อไปก็เพิ่มขึ้นไปได้เลยตอนต้นก็มาค้างคืนเดียวต่อไปก็สองคืนหรือสามคืนต่อไปก็ห้าคืนต่อไปก็เจ็ดคืน จะสามารถเพิ่มการปฏิบัติ <c oughs> เพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะรสแห่งธรรมนี้มันมันเป็นรสที่จะกระตุ้นความอยากความยินดีให้เกิดขึ้นพอได้ชิมแล้วทีนี้ก็อยากจะกินหลายๆคำนะตอนตอน้นยังไม่เคยชิมก็ยังกล้าๆกลัวๆอยู่พอได้สัมผัสกับความสงบ ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเริ่มเกิดความยินดีอยากจ ะ, อ, ะอยากจะกินหลายๆช้อนนละต่อไปก็อยากจะกินเป็นชามต่อไปก็อยากจะกินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยขอให้เราเริ่มต้นเท่านั้นอะ่ะเราต้องมาเริ่มฝึกทําใจให้สงบกันอด้วยการยุติการหาความสุขแบบกล่าวชั่วเราวจะเป็นชั่วขณะอะ เป็นไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เนี่ยบางท่านก็มาช่วงบ่ายนี้มาฟังเทศฟังธรรมก่อนจะก่อนจะเริ่มต้นก็มานั่งสมาธิไปก่อนแล้วก็มานั่งฟังเทศฟังธรรมเรียนรู้วิธีหาความสุขแบบใหม่ว่าทาอย่างไรแล้วก็นั่งนั่งซำนั่งทำสมาธิไปในตัวการฟังธรรมนี้ก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเพราะเวลาฟังธรรม ถ้าตั้งใจฟังก็จะไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความคิดต่างๆก็จะลดน้อยลงไปเบาลงไปความวุ่นวายใจก็จะน้อยลงไปความสบาย อ, อกสบายใจความเย็นใจก็จะเพิ่มขึ้นมาตามลาดับพอเริ่มได้สัมผัสกั บ, กบความสงบแล้วก็จะเห็นคุณค่าของความสงบเมื่อไปเปรียบเทียบกับความสุขความแล้ว รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนคนละโลกความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นนันนี้มั น, ค, นค่อนข้างที่จะวุ่นวายต้องวุ่นวายกับการรักษาลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นลดต้องวุ่นวายกับการไปแสวงหาแล้วก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญต้องสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆไป แต่การมหาความสุขจากความสงบนี้ไม่ต้องวุ่นวายแบบนั้นเลยเพียงแต่คอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ได้เท่านั้นเองความสุขที่มีอยู่ในใจก็จะปรากฏขึ้นมาทันที <c oughs> ลองทำดูถ้าคนที่ไม่เคยลองไม่เคยทำลองไปทำดูลองไปหาเวลาอยู่คนเดียว ลองหยุดหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลดดิ่นรดูแล้วลองไปหาความสุขจากการฟังเทศฟังธรรมอยู่ที่บ้านเ้นิ่มต้นที่บ้านก็ได้เคยดูละครก็เปลี่ยนมาดูธรรมะที่นี่มีถ่ายทอดสดทุกวันบ่ายสองโมงดูย้อนหลังก็ได้เดี๋ยวคลิปนี้เขาก็เก็บไว้ในยู u b e ในเฟ e บ o ๊ k สามารถเข้าไปเปิดดูได้ เปิดดูแล้วก็นั่งหลับตาฟังไปก็ได้ไม่ต้องลืมตาก็ได้การฟังทมไม่ต้องเปิดตาก็ได้ยิ่งปิดตาได้ยิ่งจะทำใจให้สงบได้ง่ายกว่ากว่าการเปิดตาเพราะการเปิดตาเดี๋ยวเห็นนู่นเห็นนี่ก็อดที่จะคิดมันถึงมันไม่ได้คิดปรุงแต่งขึ้นมาไม่ได้นั่งฟังเทศไปหลับตาฟังไปขอให้ตั้งใจฟังทั้นะั้นอย่า อย่าให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับธรรมะที่กําลังแสดงอยู่แล้วธรรมที่เข้ามาในใจจะกล่อมใจให้เย็นให้สบายให้มีความสุขแล้วพอไปเปรียบเทียบกับการดูหนังดูละครแล้วจะรู้ว่าผลนี่ต่างกันฟ้ากับดินดูหนังดูละครแล้วตื่นเต้นตกใจหวาดเสียววุ่นวาย เสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้ไปกับหนังกับละครที่ดูแทนที่จะมีความสุขกับวุ่นวายใจไปกับภาพยนตร์ที่ดูกับเสียงที่ได้ยินเสียงออกระทึกคึกโคมเสียงหวาดเสียวเสียงน่ากลัวอะไรต่างๆมาสร้างความไม่สบายใจให้สู้มาฟังเสียงธรรมดีกว่า ตอนต้นไม่มีเวลามาวัดก็เอาที่บ้านเนะี่ยขอให้มีห้องเงียบๆกันแล้วกันการจะฟังธรรมนี่ต้องอยู่ในสถานที่สงบเอาไปฟังในห้องของเราปิดประตูางดต้อนรับแขกชั่วคราวห้ามรบกวน do not disturb จะฟังเทศน์ฟังธรรมจะสร้างความสุขแบบใหม่ด้วยการฝึกทาใจให้สงบ พอฟังแล้วอยากจะต่อด้วยการสวดมนต์ก็ได้สวดเดินเสร็จอยากจะต่อด้วยการนั่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้น้องทำดูไม่ยากหรอกของนี้เด็กยังทำได้เลยเมื่อวานก่อนมีสองวันก่อนมีเด็กอายุสี่ห้าขวบเขาถ่ายรูปเห็นนั่งนั่งขัดสมาธิหลับตาได้มันไม่ได้ยากเย็นตรงไหนมันยากอยู่ตรงที่อยากจะทำหรือไม่อยากจะทำเท่านั้น พอไม่อยากจะทำนี่มันกลายเป็นของยากไปหมดพอจะนั่งปบรู้สึกอึดอัดขึ้นมาแน่นหน้าอกขึ้นมาปวดศรีรษะขึ้นมาเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเข่าขึ้นมาทันทีแต่ถ้าให้ดูหนังดูละครดูกีฬานี่โอ้โหมันดูนี่ไม่รู้สึกอึดอัดแน่นท้องแน่นหน้าอกเพราะมันอยู่ที่ความชอบหรือไม่ชอบท่านนั้น ที่ชอบดูละครดูกีฬาเพราะว่ามันให้ความบันเทิงมันให้ความเพลิดเพลินมันดับความทุกข์ความวุ่นวายใจจากการมีเรื่องราวต่างๆได้ชั่วคราวมันเลยชอบกันช่วยบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนทางจิตใจได้แต่มันเป็นความความสุขที่ชั่วคราวที่ต่อไปอาจจะไม่สามารถหาทำได้ เพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรไปก็ดูไม่ได้หรือเครื่องดูเสียก็ดูก็ดูไม่ได้ไฟดับก็ดูไม่ได้อมันมีปัญหาตามมาต่อไปต่อไปจะพึ่งมันไม่ได้แต่ถ้ามาหาความสุขจากการสวดมนต์จากการนั่งสมาธิจากการทำใจให้สงบนี่ไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางกันสามารถทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็สามารถทำใจให้สงบได้แต่จะทำได้ก็ต้องมีความยินดีก่อนต้องต้องชอบต้องอยากจะทำวิธีที่จะทำให้เกิดความชอบความอยากก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาทำมาแล้วคนที่เขาเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์เห็นผลที่ดีจากการ ทำใจให้สงบว่าดีอย่างไรเช่นไปฟังธรรมเนี่ยธรรมะก็จะสอนให้เราเห็นคุณค่าของความสงบให้เราเปรียบเทียมคุณค่าของความสุขแท้กับของความสุขบอมว่าต่างกันอย่างไรดีกว่ากันอย่างไรเพอรู้แล้วว่าความสุขแท้นี่พอได้มาแล้วมันจะเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเนี่ยเราจะสามารถพึ่งมันได้ ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ไม่ว่าเราจะยากจนหรือรวยหรือไม่เราสามารถที่จะมีความสุขได้ถ้าเรารู้ประโยชน์ที่เราจะได้น้ำจากความสุขแท้นี้แล้วมันก็จะทำให้เราอยากจะทำขึ้นมาเองพออยากทำแล้วทีนี้พอเริ่มทำมันก็จะได้เริ่มสัมผัสถ้ารู้จกักทำด้วยวิธีที่ถูกต้อง ต้องต้องศึกษาวิธีทําความสุขที่ถูกต้องว่าทําอย่างไรด้วยอย่างแรกก็คือต้องมีที่สงบที่ห่างไกลจากเสียงแสงสีเสียงต่างๆห่างไกลจากคนนั้นคนนี้ต้องไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวถ้าอยู่ในบ้านก็เข้าไปในห้องของเราคนเดียวปิดประตูเปิดแอร์ปิดเสียงทั้งหมดไม่รับรู้อย่างน้อยก็เป็น การส่วนตัวเป็นความวิเวกชั่วข่าวถ้ายัางไปที่สงบแบบธรรมชาติไม่ได้ก็ต้องสร้างห้องวิเวกขึ้นมาในบ้านในบ้านเราเรามีหลายห้องเราลองมาปรับห้องให้เป็นห้องวิเวกสักห้องเขียนป้ายติดที่ประตู ว, ว่าห้องปลีกวิเวกห้องที่เราต้องการอยู่คนเดียวต้องการนมาฝึกจิตฝึกใจให้สงบถ้าไม่ ถ้าไปฝึกจิตในขณะที่มีคนรอบข้างอยู่นี้มันรบกวนกันเดี๋ยวคนนั่นก็พูดเดี๋ยวคนนี้ก็ทำนู่นทำนี่ส่งเสียงดังมั่งทำอะไรมันก็จะรบกวนการทำใจให้สงบ <c oughs> ต้องหาที่สงบสงัดวิเวกนะแล้วก็ต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายคือห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ห้ามเปิดมือถือห้ามเปิดดูเฟซดูอะไรต่างๆยกเว้นดูธรรมะได้อยู่ถ้าต้องการจะฟังเทศฟังธรรมเปิดธรรมนัฟังได้อยู่แต่อย่างอื่นห้ามข่าวข่าวก็ไม่ต้องไปสนใจเอขอพักชั่วงขาวแล้วเดี๋ยวเวลาหมดเวลาแล้วเรค่อยกลับมาติดตามข่าวข่าวต่อไปได้แต่ตอนที่ไปปีกวิเวกนี้จะต้องตัดตัวเราเองออกจากโลกนี้ไปให้ได้ ตัดตัวเราเองออกจากโลกของราบยศสรรเส ร, ริญโลกของรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเพื่อไปอยู่ในโลกของความสงบโลกของความว่าง <c oughs> เพราะความว่างนี่แหละเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสงบขึ้นมาเพราะความว่างจะไม่รบกวนใจไม่รบกวนความสงบความว่างนี้จะสนับสนุนความสงบแต่ถ้ามีราบยศสรรเส ร, ริญมีรูปเสียงกลิ่นรสมาห้อมล้อม มันจะมาทำลายความสงบผนะู้ที่จะสร้างความสุขแท้คือความสุขที่เกิดจากความสงบจึงจำเป็นที่จะต้องไปปีกวิเวกแล้วก็ต้องปิดตาหูจมูกลิ้นกายคือไม่ปิดแต่สำรวมไม่ให้ไปหาไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลธถะหิวเครื่องดื่มก็อย่าอย่าดื่มนอกจากน้ำถ้าหิวน้ำร่างกายต้องการน้ำก็ดื่มได้ แต่ท่านต้องเป็นน้ำกาแฟาก็อย่าดื่มมันเพราะมันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสของกาแฟที่เราไปเสพด้วยเสพน้ำที่มาผสมกับรูปเสียงกลิ่นรสของกาแฟถ้า <c oughs> ถ้าหิวน้ำก็กินน้ำเปล่าอย่าเสพกาแฟเก็บกาแ ฟ, า แ, ฟแล้วเดี๋ยวมันก็ทำให้หัวใจเต้นทำให้ทำให้ร่างกายมันไม่สงบขึ้นมาอีกมารบกวนความสงบทางใจได้ ดัน้นต้องพยายามอย่าไปเสบรูปเสียงกินรดในรูปแบบของเครื่องดื่มต่างๆเสบถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไปเท่านั้นแหละไม่ต้องมีอะไรมากอาหารก็กินมาพอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งได้กินมื้อหนึ่งก็อยู่ได้เลยยี่บสี่ชั่วโมงไม่ไม่มีปัญหารับประกันได้เลิกเสบรูปเสียงกินลดต่างๆแล้วก็มาตั้งใจฝึกจิตให้สงบ ถ้าเบองตนอนยังทำอะไรไม่เป็นก็ลองฟังเทศฟังธรรมไปก่อนฟังสักชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็ลองออสวดมนต์ต่อสวดอิติปิโสสิบจบยี่สิบจบสามสิบจบแล้วแต่กำลังของเราสวดเสร็จแล้วก็ลองงั่งดูลมหายใจต่อลองทำอย่างนี้ไปก่อนรับรองได้ว่าทำถ้าท ำ, ถ, าทำถ้าตั้งใจทำด้วยสติ คือเวลาทำนี้อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไปตามคิดตามความคิดต่างๆถ้านั่งไปสวดมนต์ไปคิดไปด้วยจะไม่ค่อยได้ผลดีฟังเทศไปแล้วคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปก็จะไม่ค่อยได้ผลถ้าไม่ได้ผลแล้วเดี๋ยวมันจะเบื่อมันจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็อยากจะออกจากห้องปรีกวิเวก ห้องปีกเว่เวจะเป็นเกิดเป็นความรู้สึกว่าเป็นเหมือนคุกห้องคุกห้องตารางไปเพราะใจมันอึดอัดใจมันไม่มีความสงบแต่ถ้าสามารถฟังทำด้วยสติได้ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจจะสงบใจจะไม่คิดปรุงแต่งจะไม่เกิดความอยากที่จะไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสจะไม่มีความอยากที่จะไปติดตามข่าวสารอะไรต่างๆ มันก็จะทำให้การอยู่ในห้องนั้นรู้สึกมีความสุขก็จะไม่อยากจะออกจากห้องนั้นไปฉั้นเวลาปฏิบัตินี้จาเป็นที่จะต้องมีสติต้องคอยดูว่ากาลังคิดกำลังอยู่กับอะไรอยู่กำลังฟังธรรมก็ต้องให้มันอยู่กับการฟังธรรมอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาสวดอิติปิโสก็ต้องให้มันอยู่กับการสวดอิติปิโส อย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เวลาดูลมหายใจเข้าออกก็ให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้ามีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับกิจกรรมเหน่านี้ได้ใจจะเยน็นใจจะสบายใจจะมีความสุขแล้วความคิดที่อยากจะออกจากห้องนั้นไปจะไม่มีเพอถึงเวลาที่กำหนดแล้วบางทยงียังอาจจะไม่อยากจะออกไปก็ได้ อาจจะขออยู่ต่ออีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้พอได้ได้สิบสัมผัสกับรสแห่งธรรมคือความสงบแล้วมันไม่อยากจะไม่อยากจะจากความสงบไปเพราะรู้ว่าเดี๋ยวถ้าออกจากห้องไปไปเจอคนนั้นคนนี้ไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็ต้องวุ่นวายขึ้นมาทันทีใจก็ต้องเดือดร้อนจะต้องอกังวลจะต้องวิจก ต้องวิตกจะต้องคิดแก้ปัญหาต่างๆมีเรื่องปวดหัวต่างๆเข้ามาทันทีันี่คือเรื่องของการเปลี่ยนวิธีหาความสุขเปลี่ยนจากการหาความสุขปลอมไปหาความสุขแท้เบื้องต้นเราต้องไปศึกษาไปเรียนรู้จากคนที่เขาได้พบกับความสุขแท้แล้ ว, ว่าวิเศษอย่างไรเหมือนคนที่ซื้อรถมาแล้ว เราต้องเราอยากจะซื้อรถยี่ห้อเดียวกันเราก็ต้องไปถามคนที่ใช้รถยี่ห้อนี้ว่าดีไหมดีอย่างไรหรือเปล่าพอเขาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีกว่ายี่ห้อนุ้นดีกว่ายี่ห้อนี้มันก็จะทําให้เราเกิดความยินดีที่อยากจะซื้อรถยี่ห้อที่เขาใช้อยู่พอเรารู้ว่าความสุขแท้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดีกว่าความสุขปลอมอย่างไรเราก็อยากจะเปลี่ยนวิธีหาความสุข จากความสุขปลามาหาความสุขแท้พอรู้พอรู้ว่าความสุขแท้ดีกว่าเราก็จะอยากพนะอเราอยากเราก็ต้องศึกษาต่อว่าแล้ววิธีทาความสุขแท้นี้ทาอย่างไรพอเรียนรู้ว่าวิธีความสุขแท้ก็ต้องไปอยู่ที่เงียบๆไปแล้วไปฟังเทศไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปดูลมหายใจเข้าออกก็ลองไปทาดู พอได้ทําแล้วผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาเหมือนกับไปซื้อรถยี่ห้อเดียวกับคนที่เขามีอยู่ว่ารถยี่ห้อนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอเราไปซื้อรถยี่ห้อเดียวกันไปครับมันก็ต้องได้ผลเหมือนกันอย่างเดียวกันนี่คือวิธีที่จะทําให้เราเปลี่ยนจากการหาความสุขปลอมไปสู่การหาความสุขแท้ได้แล้วพอเราได้ความสุขแท้แล้ว เราจะปลอดภัยจากความทุกข์เราจะไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายแก่เจ็บตายเราก็ไม่เดือดร้อนและร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะไม่กลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายแบบไม่มีวันสิ้นสุดได้นี่ละคือความสุขแท้เป็นอย่างนี้ที่นํเอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปปกักปติอิทิตังปัทิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจตโตสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปันาราโสยะามณนีโชติอราโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิตศนิจังุทธาปจายโนจตารโหธรรมาวาทานติอายุวะโนสุขังภาลั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 วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไรวันนี้ทาง Facebook เข้ามา572ย t u b บ331วิทยออนไลน์11รับฟังข้างบนนี้46คนรวมทั้งหมด960ครับถ้าใครอยากจะถามถ้ามีคำถามก็มีคำถามนะออยากจะถามไหม พอเปดช่งองเาเยอะตามคะขอโอกาสหลวงพ่อค่ะโยมบางครั้งโยมสับสนทำว่าความสงบความความความสงบบางครั้งในในคอนเท็กซ์ของของอัปปนาสมาธิ ก, กับความสงบที่ไม่มีมีที่ ที่ไม่ไม่มีที่เป็นอโลภาอโทสมาโมหะไม่มีตัณหาก็มันมีความสุบหลายหลายระดับเลค่ะไม่ฟุ้งซ่านก็สงบอย่างสงบจากความฟุง้งซ่านสงบจากความโลภความโกรธความหลงสงบจากความคิดปรุงแต่งสงบวิลาคะวิสังขาร อ, อะไรพวกอย่างนั้นเวลามไม่โลภมันก็สงบเวลาโลภมันกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย เวลาโกรธก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ทั้งทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นจากฌานหรือจะเป็นจากปัญญาอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขแท้ที่หลวงพ่อพูดถึงวันนี้ก็แท้แบบว่ายังไม่สมบูรณ์คือความสุขแบบเป็นพักๆเป็นเรื่องๆไป<ฆ>ยังต้องมีเรื่องอื่นที่ยังต้องมาคอยแก้คอยกำจัดอยู่พอไม่มีเรื่องให้แก้ให้อะไรถึงจะเรียกว่าเป็นความสุขแท้ที่สมบูรณ์ เอาเป็นขั้นๆไปก่อนค่ะ ข, ขั้นโซย า, ก, าก่อนขั้นส ก, กิรากาังาาขั้นอาณาคขั้นอรหันไปอันนั้นเนระดับปัญญาระดับสมาธิก็ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ไปก่อนอนขั้นปกติก็เวลาอยากไปชอปปิ้งก็เปลี่ยนไปทําบุญแทนนี่ก็เป็นขั้นของสามัญชนผูุ้ชนไปก่อน คันอยู่ในขั้นใช้เงินแทนที่จะไปช็อปปิ้งวันนี้ไปวัดดีกว่าไปทำบุญดีกว่าหรือไปทำบุญที่โรงพยาบาลที่โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือที่ไหนก็ได้อันนี้ก็ทำให้ใจสงบจากความโลภที่อยากจะซื้อข้าวซื้อของซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นต่างๆาคำถามจากคุณเอกราช ช่วงนี้จิตใจชอบเพ่งโทษและตำหนิตผู้อื่นอยู่บ่อยครั้งมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็บอกเลยว่าเพ่งคนอื่นเพ่งโทษคนหนึ่งซื้อเพ่งโทษเราไม่ได้ทุกครั้งที่จะเพ่งโทษใครแล้วถามตัวแล้วมึงเเป็นยังไงทุกครั้งไปด่าใครไปว่าใครเนี่แล้วตัวมึงเป็นยังไง <prejud ices> จะได้ย้อนกลับมนเพ่งโทษตัวเองดีกว่า มึงดีแล้วเหรอมึงไม่มีอะไรที่ต้องไม่มีความผิดในตัวมึงแล้วเหรอมึงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วเหรอมึงไม่เห็นแก่ตัวแล้วเหรอมึงไม่ขี้เกียจแล้วเหรอหัดด่าตัวเองม้างอย่าไปด่าคนอื่นทุกครั้งจะด่ดาใครให้มันเป็นบุญมาแรงกลับมาให้นึกถึงตัวเองทันทีก่อนจะดา่าพู้อื่นขอให้โปรดด่าตัวของท่านก่อนเถิด คำถามจากคุณรุ่งฤดีนั่งสมาธิมาตลอดนั่งอย่างสม่ำเสมอและมีอยู่หลายครั้งที่จิตพลิกมีสติชัดเจนนิ่งเฉยไม่ถุกไม่ทุกข์ไม่สุขเงียบสงบอยู่สักพักดิฉันก็ลืมตาออกมาหากมีจิตแบบนี้อีกต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไรเจ้าคะก็ทะให้มันจำนานให้มันเป็นอย่างนี้บ่อยๆให้มันเป็นนานๆให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันว่างให้มันเย็นให้มันสบาย คำถามจากคุณวิโร์การดับขันห้าเป็นอย่างไรครับพอขันห้าไม่ดับหรอกมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดดับของมันเองการดับขันห้านี้ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่ต้องดับก็คือดับกิเลสตัณหาความอยากส่วนขันห้าเมื่อถึงเวลามันจะดับมันดับของมันเองเช่นน่างกาย พอถึงเวลามันตายมันก็ดับของมันเองส่วนนามขันมันก็เกิดดับเกิดดับมันเป็นเหมือนหิ่งห้อยเหมือนเป็นเหมือนแสงหิ่งห้อยมันมีเกิดม่ดับแต่มันไม่หายไปนามขันมันไม่มีวันหายเพราะมันเป็นส่วนประกอบส่วนที่ออกมาจากใจที่ไม่มีวันหายไม่มีวันตายแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดการดับเมตนาก็เปลี่ยนไปจากสุขเป็นทุกข์จากทุกข์เป็นสุข ความจําได้หมายรู้ก็จําได้บ้างลืมบ้างจําเรื่องนั้นนับบ้างแล้วก็มาจําเรื่องนี้สังขารก็คิดปรุงแต่งเรื่องนั้นแล้วก็มาคิดปรุงแต่งเรื่อ ง, งนี้ีเรียกว่าเปลี่ยนไปเปลีป่ยนมาเกิดดับเกิดดับวิญญาณก็รับรู้รื้อเสียงเกิ่นรดที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากรูปนี้ไปเป็นรูปนั้นจากเสียงนี้ไปเป็นเสียงนั้นก็เรียกว่าเกิดดับเกิดดับ นี่คือธรรมชาติสองขันก็เป็นอย่างนี้คำถามจากคุณพรพันธ์โรคเวรโรคกรรมปฏิบัติธรรมสามารถหายได้ไหมเจ้าคะ่ะถ้าไปนิพพานก็หายถึงนิพพานก็หายถ้ายัางไม่ไม่ถึงนิพพานก็ยังต้องใช้เวรใช้กรรมต่อไป <c oughs> คำถามจากคุณพิทักษ์ผู้ที่เรียกว่าภาวนาเป็นแล้วต้องเป็นเช่นไรครับก็สามารถควบคุมใจให้สงบ ไม่ให้โลภไม่ให้กอดไม่ให้ลงได้ <c oughs> คำถามจากคุณปูจะสามารถวางอุเบกขาในใจได้อย่างไรครับเมื่อเผชิญหน้ากับคนที่ไม่จริงใจกับเราพยายามแผ่เมตตาและหลีกเลี่ยงการพบพรเผชิญดูใจเจ้าของก็เห็นจิตกระเพื่อมมีความร้อนเกิดขึ้นในใจจิตไม่สงบต้องทำอย่างไรครับต้องสร้างสติขึ้นมาต้องใช้พุโทโธพุโทโธ ถ้าบริกรรมพุโทโธพุโทโธใจก็จะนิ่งจะเฉยได้คำถามจากคุณดิษยามีคนชวนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพราะพบว่าชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆคำถามคือถ้าเราเปลี่ยนเบอร์และชีวิตดีขึ้นจริงจะมีผลเสียต่อสภาวะธรรมหรือไม่อย่างใดครับจะทำให้เรายึด ต, ติดกับสุขที่ได้และไม่ยอมรับในกฎไตรลักษณ์ถูกต้องหรือไม่ครับ เดี๋ยวก็ไปบอกพวกที่ตกงานนั้นไปเปลี่ยนเบอร์ันวเดี๋ยวอาจจะได้งานงานใหม่ก็ได้คำถามจากคุณชารินคำถามแรกถ้าเราอยากเริ่มฝึกสมาธิในขั้นพื้นฐานแต่ไม่มีครูคอยแนะนำเราควรเริ่มต้นอย่างไรครับก็เนี่ยฟังเทศที่นี่พูดเรื่องสติเรื่องสมาธิเกือบทุกวันแล้วก็ลองออาไปปฏิบัติ ด, ดูหรือถ้าไม่ชอบที่นี่ไปเรียนจากที่อื่นก็ได้ ในเนตมีเยอะแยะค้นหากับว่าสมาธิมันก็จะมีโผลขึ้นมาคำถามที่สองถ้าเกิดเห็นนิมิตในขณะที่นั่งอยู่เราควรทำอย่างไรกับนิมิตนั้นครับออไม่ต้องสนใจให้กลับมาอยู่ที่พุทโธ ท, ที่เราใช้เป็นอารมณ์ควบคุมใจ หรืออะไรที่เราใช้ควบคุมใจเราก็ใช้อย่างนั้นดูลมก็ดูลมไปพุทโธก็พุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับนิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาคําถามจากผู้ฝากถามผมได้ทราบข่าวว่าลูกเตะแม่จนเสียชีวิตตอนที่แม่กําลังสวดมนต์แต่ลูกเป็นคนไม่มีสติปัญญาตั้งแต่เกิดเขาจะได้รับบาปเท่ากับคนที่มีสติปัญญาปกติหรือไม่ครับไม่รู้เหมือนกัน มันไม่มีสติมันก็มันก็เป็นเป็นผลของบาปเป็นแค่เป็นเป็นผลส่วนหนึ่งนะที่เป็นที่จะทำให้มันเป็นคนเสียสติไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นวิบาทของมันอยู่ในตัวแล้วคำถามจากคุณรุ่งฤดีนะครับที่เขาถามว่าจิตนิ่งเฉยไม่ทุกไม่ทุกไม่สุข เงียบสงบนะครับเขาบอกว่าหากมีจิตแบบที่ได้ถามไปแล้วอยู่ในสมาธิดังกล่าวจนกว่าจะออกมาเองหรือเข้าไปพบและออกเลยครับเอให้มันอยู่นานๆอย่าให้มันออกมา <c oughs> อยู่จนกว่ามันจะออกมาเองวน <c oughs> <c oughs> แล้วเลยเพราะความสงบนี่มันเป็นความสุขดีกว่าก็ออกมาหาความสุขทางตาหูจมูกนินก้วกาย คนที่เข้าไปคนที่อยากจะเข้าไปพอเขาเข้าแล้วก็ไม่อยากจะออกนอกจากว่ามันอยู่ไม่ได้เท่านั้นเหมือนถึงออกมาแต่ถ้าอยู่ได้ก็พยายามประคับประกองให้มันอยู่ไปนานๆเพราะดีกว่าออกมาเหมือนกันอยู่ในห้องห้องปรับอากาศกับอยู่ในห้องนอกปรับอากาศนี่ถามดีว่าพอร้อนๆนี่พอเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศแล้วอยากจะออกมาไหมไม่อยากจะออกหรอก พ่ามันเย็นมันสบายกว่ากันยันใดถ้าจิตสงบจริงๆแล้วมันจะไม่อยากจะออกไปไหนเพราะออกไปแล้วมันวุ่นวายเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้มาให้ทําใจให้เครียดให้ทุกข์แต่พออยู่ในห้องของสมาธิแล้วมันสบายมันเย็นเรื่องราวต่างๆมันหายไปจากใจความหนักอกหนักใจเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หายไป แต่พอออกจากสมาธิมาพอเห็นคนนั้นคนนี้ก็เริ่มหนักหกหนักใจขึ้นมาเริ่มกังวลเริ่มห่วงเริ่มวิตกถ้าเกลียดก็อยากจะให้มันหายไปไม่อยากจะเจอหน้ามันเห็นการเข้าสมาธินี้เป็นวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องมาวุ่นวายใจเดือดร้อนกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างจากเมื่อก่อนก็ได้ เราอาจจะใจเย็ยนลงเราอาจจะเฉยลงเห็นใครที่ไม่ชอบเราก็อาจจะนิ่งเฉยได้เพราะเรารู้ว่านิ่งเฉยนี่ดีกว่าไปมีความรังเกียจจงนักจงชังนี่ก็จะเป็นผลดีที่เกิดจากการเข้าไปในสมาธิจะทำให้เราอยากจะทำให้ใจเย็ยนสงบทั้งที่ในขณะที่เราไม่อยู่ในสมาธิ และวิธีที่ไม่ไม่ไม่ทําให้ใจวุ่นวายก็คือต้องปล่อยวางต้องเฉยเฉยไปเขาเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้มีคําถามใหม่ไหมยังไม่มีนะเอี่ยการฝึกสมาธินี้มีคุณมีประโยชน์มากทําให้เรามีที่พึ่งทางใจทําให้เราไม่ต้องไปพึ่งเงินทองไม่ต้องไปพึ่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็สิ่งต่างๆนี้บางทีก็พึ่งได้บางทีก็พึ่งไม่ได้แต่ความสงบนี้พอเราเข้าถึงแล้วเราสามารถพึ่งมันได้ทุกเวลานาทีที่เราต้องการเวลามีปัญหามีความทุกข์ใจเดือดร้อนใจถ้ายังไม่มีปัญญาก็อาศัยสมาธิไปก่อนแก้ปัญหาด้วยสมาธิไปก่อนเข้าไปในสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบแล้วก็สบาย แล้วพอออกจากสมาธิมาใจก็จะเย็นกว่าเดิมก็จะมีพลังที่จ ะ, ะเผชิญกับปัญหาเผชิญกับอุปสรรคมีพลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิตต่อไปออวันนี้หมดแล้วเลยโอเคหมดแล้วก็ไม่อยากจะลากไปแล้วเหนื่อยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงเอาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ